ดิฉันขอแนะนำตัวหน่อยนะคะบางท่านอาจจะรู้จักบ้างบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักดิฉันชื่อว่ามาริสานะคะมาจากรัฐเ ท, เทนเทนสซีนะค ะ, ะได้มาปฏิบัติในสายหลวงพ่อเทียนนี้นะคะประมาณนี่ปีตั้งแต่ถ้าเป็นพอสอภาษาไทยก็สองบัน ท่าไรนะห้าสิบใช่ไหมคะนี่ปีห้าแปดก็ต้นปีห้าสิบก็ตอนนี้ก็ประมาณล่วงเข้ามาก็เป็นปีที่แปดนะคะส่วนการปฏิบัติก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่านผู้ไฝ่ธรทุกท่านนะฮะเพราะว่าตัวดิฉันเองนี่เป็นคนที่แบบว่าชอบศึกษาชอบใน ในท่าในสินในธรรมมาตลอดเหมือนพวกเราทุกท่านคนเอเชียทุกท่านส่วนมากจะมีจิตใจฝักใฝ่ในทางนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะคือศึกษามานี่ก็ศึกษาในด้านตัวเองคิดว่าตัวเองศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คิดว่าเออตอนนั้นก็เราก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากกันนะคะก็ไปศึกษาครูบาอาจารย์ที่ไหนว่าดีเราก็ไปนะคะ บางทีว่า อ, าองค์นี้ดีเราก็ไปแต่ไปทุกครั้งไปปฏิบัตินะก็ดีถ้าไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าเวลาเรามีปัญหามีความทุกข์ใจมันแก้ไขในใจไม่ได้คะปัญหาทุกคนทุกคน่ะมีทุกคนแต่ว่าทำยังไงเราจะแก้ไขได้ยังเงี้ยตรงนี้นะเป็นจุดสำคัญที่ว่าดิฉันปฏิบัติธรรมมาตั้งครูบาอาจารย์ก็มี20กว่าปีเนี่ย เวลามีทุกข์มาเนี่ยมันแก้ไม่ได้ตรงนี้ดิฉันก็มีคำถามในใจตลอดเวลานะคะพอดิฉันมาปฏิบัติาสายหลวงพ่อเทียนนี่นะครับมาตั้งแต่ปีปีที่แปดเข้ามาเนี่ยครั้งแรกเนะะเจอเจอ <c oughs> เจอหลวงพ่อดิเลกนี่นะคะก็คิดว่าก็คงจะ ให้ไปนั่งแบบเคยเคยนั่งหลับตามานะคะก็คงให้ไปนั่งหลับตาเหมือนเดิมใจก็คงบอกว่าคงจะไม่เอาแล้วนะคะหลับตาเนี่ยเพราะว่ามันมันคล้ายๆว่ามันมันเบื่อแล้วค่ะมันบอกตรงๆมันเบื่อไม่ไม่อยากจะทำแล้วเพราะว่าทำแล้วมันมันตัวเองมันช่วยอะไรไม่ได้อะมันช่วยได้อย่างหนึ่งนะแบบว่าคือเราต้องฝืนใจอะกดข่มไว้ในใจใช่ไหมอยู่เราอยู่ในสังคม เจอเพื่อนเจอฝูงที่ทํางานอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเราไม่ชอบเนี่ยเราเก็บกดไว้ในใจเนี่ยเป็นลักษณะของสมถะอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยมารยาทสังคมไม่ให้เราแบบว่ามารยาทสังคมแล้วก็เก็บไว้ลูกเต้าสามีภรรยาเงี้ยเราไม่ชอบเราไม่พอใจเราก็เก็บไว้อารมณ์พวกนี้เนะี่ยมันจะสะสมไว้นะคะสะสมไว้เนี่ยอารมณ์ตัวนี้ดิฉันไม่ทราบเลยคนะจนมาปฏิบัติวิปัสสนาเนะี่ยถึงทราบว่า เรื่องวิปั ส, สนาเนี่ยเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆเลยเป็นเรื่องจิตล้วนๆเลยนะพอมาเรียนรู้เรื่องวิปั ส, สนาเนี่ยดิฉันว่าอารมณ์ที่เราเกศ ส, สะสมมาที่เรามีความกดดันทุกอย่างหน้าที่การงานครอบครัวทุกอย่างเลยเนี่ยตัวนี้แหละที่ดิฉันแก้ไม่ได้นะพออย่างไปปฏิบัติเนี่ยไปฟังเทศฟังธรรมมีความสุขสบายได้ปิติได้อะไรกลับบ้าน แต่พอเจอปัญหาโอ้โหตัวโลกกดหลงมาไม่ทันเลยอย่างเงี้ยก็พอหลวงพ่อมานะฮะไม่ได้เจอท่านไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเลยนะทางเพื่อนอีกคนหนึ่งอะเขานิมนต์ท่านมาที่บ้านเพื่อนก็โทรมาบอกดิฉนันก็เกรงใจเพื่อนเนี่ยความเกรงใจเนี่สําคัญมากเลยเกรงใจนี่นะก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะอึดอัดในใจอีกอย่างห น, นะนึ่งละเนี่ยแต่ความเกรงใจเพื่อนเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วก็ ดิฉันก็บอกว่าเออจะไปนะแต่ว่าที่ไปนะ่ะไม่ได้ไปเพราะว่าศรัท ธ, ธาอะไรเพราะความเกรงใจเพื่อนกลัวเพื่อนจะเสียใจนะพอไปก็คิดว่าถ้าท่านพานั่งหลับตาอีกดิฉันต้องกลับแน่ดิฉันต้องในั่งใกล้ๆประตูด้วยนะคะถ้าถึงเวลาไปแน่แต่พอไปถึงนะเห็นท่านแนะนําเรื่องการสร้างจังหวะดิฉันก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนะสร้างจังหวะเ อ, อ๊ะทําไมต้องทํามืออย่างนั้นอย่างนี้นะเราจะทําด้ได้ไหมเนะาะเนี่ย มันดูท่าทางเหมือนเหมือนอะไรนเราไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ท่านก็สนทนาท่านยังไม่พาทำท่านแนะนำแต่ท่านรู้ว่าพวกนี้มันผ่านครูบาอาจารย์มาเยอะมันคงไม่ได้มันคงรับได้ไม่ง่ายไม่ง่ายนะนะะักนะะก็ก็พอพอท่านพาทำท่านก็แนะนำนะะแนะนำเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรอะไรเราก็รับฟังเราก็รับฟังแต่ก็ยังไม่ทำน ะ, ะก็ยังไม่ได้ยกมืออะไรกับท่านหรอก พอพอนั่นนะคะพอเข้าอยู่ที่บ้านพอท่านคุยน ะ, ะดิฉันนี่ก็เลยความที่เราแบบว่าได้ตัวลึกๆเนี่ยเราอ่านมามากเราเรียนมามากเราศึกษามามากความอวดดีนอวดรู้ของเราเนี่ยมันอยู่ลึกๆมันมันมันมันเพียงแต่กบไว้อะมันยังไม่ออกมาให้เฉยหรอกมันจะออกมาในลักษณะไหนนี่นะแล้วแต่นิสัยใจคอบุคคลนะบางคนนี่แบบว่า มีคําถามนี่นะจะต้องมาถามพระนี่เอาคําถามแบบอแบบธรรมะสูงๆธรรมะยากๆเลยจะได้ดูดีว่าเรานี่โอ้โหยู้ธรรมะสูงนะเอเราจะได้คะแนนอย่างงี้นะนี่ตัวผู้พูดนี่เป็นเป็นตัวอย่างเลยฮะที่พูดนี่หมายถึงตัวผู้พูดเองเลยนะพอนั่นนะดิฉันก็ถามว่าถามพูดคุยธรรมะกับท่านท่านบอกว่าอย่าพึ่งพูดได้ไหมถ้ายังไม่รู้จริง เนี่ยทำให้ดิฉันนี่นะแบบว่ามันมันสกิดใจอะคือว่าเอ๊ะพระที่ไหนมานะท่านก็พูดเอาใจเราใช่ไหมพูดดีเออใช่แล้วโยมอย่างงั้นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เออพระนี่มาแปลกนะเออเราต้องฟังไว้ก่อนฟังดูซิว่าท่านจะมาไม้ไหนใช่ไหมเสร็จแล้วก็พอมีโอกาสนะคือบ้านที่นิมนต์เข้ามาเนี่ยเข้าไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่กับท่านนะนะดิฉันสังเกตดูอะ นิชันก็เลยนึกว่าเออเราพาท่านไปที่บ้านคงจะดีนะเผื่อว่าเพื่อนสองสามคนที่เขาเคยมาถามนิชชันว่าเรื่องจิตเนี่ยตอนนั้นเราก็งูงูปลาปาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราก็ไม่กล้าให้คำตอบเขาเพราะว่าเรากลัวให้คำตอบไปแล้วมันจะผิดพลาดเราก็บอกว่าอขอนิโมทนท่านไปที่บ้านนะคะท่านก็รับปากท่านก็ไปแ ต, แต่ใจในิชันนี่นะคะคงอยากจะอวดบ้านด้วยนะ ไม่มีอะไรหรอกนี่เรื่องจริงนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวอะไรเลยแต่เมื่อก่อนนี่คิดว่าเป็นหน้าเรื่องน่าเกลียดหน้ากลัวอู้ไม่ได้เพราะหน้าตานี่มันแพงใช่ไหมในสังคมเราเนี่ยอ่ใช่ไหมเสียเงินไม่ว่าขออย่าเสียหน้าใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็อ่าพอพ อ, พอท่านไปที่บ้านน ะ, ะท่านเดินสำรวจที่บ้านนะ่ะเดินดูห้องพระห้องอะไรอะไรเรียบร้อยแล้ว ดิฉันก็โทรเรียกเพื่อนมานะฮะเพื่อนก็มาสองสามคนท่านก็คุยถามทุกสุขดิบธรรมดาเป็นใครมาจากไหนไม่ถึง5นาทีท่านพาปฏิบัติเลยเนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยประทับใจตรงจุดเนี่ยเพราะดิฉันนี่นะแบบว่ามันทุกข์กับท่านทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหน้าที่การงานอย่างดิฉันนี่นะมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยขนาดมีแต่ลูกน้องเป็นฝรั่งนะลูกน้องเป็นฝรั่ง ยิ่งปวดหัวเหมือนฝรั่งปวดหัวแบบฝรั่งถ้ามีลูกน้องไทยก็ปวดหัวแบบไทยนะเสร็จแล้วก็แบบทะเลาะกันบ้างขโมอยอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยวุ่นวายไปหมดเลยนะะไหนจะลูกเต้าไหนจะสามีไหนอะไรอีกโอ้ยหัวนี่แทบแบบว่าความคิดนี่นะมันมายังกับภูเขารากาเลยกลางคืนนอนก็ไม่หลับยานี่ทุกประเภทเลยนับได้เลย ชื่อยานี่มาเลยรู้หมดทุกอย่างไม่ได้เป็นฟาร์มาซีดไม่ได้เป็นอะไรนะแต่รู้เพราะว่ากินมานะพอปกติปัจจุบันนี้นะฮะตั้งแต่มาปฏิบัตินี้ไม่เคยกินเลยนอกจากบางครั้งถ้ามันปวดมากๆปวดโดยที่ว่าเราหาสาเหตุก่อนเมื่อก่อนนี้ปึ๊บปับ๊บพึ่งยาเดี๋ยวนี้นะคะพอเราหาสาเหตุว่าเราเป็นอะไรเออถ้าธาตุขันเรารูปไอตัวรูปเราตัวเนี้ยมันมันต้องการ มันบอกว่าไม่ไหวแล้วนะดูแลรักษาหน่อยเออแล้วก็กินทาแล้วนอบ้างแอดพิวบ้างอะไรอย่างนี้แต่ถ้ายาแรงๆนี่ไม่เอาแน่นะะสมัยก่อนนี่เนี่ยเราเราผิดพลาดมาตรงเนี้ยเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาเราไม่ศึกษาสาเหตุมาก่อนเราถึงได้เป็นอย่างเนี้ยเสร็จแล้วก็นะคะพูดอถึงว่าพอดิฉันเนี่ยทุกมากทุกจนที่ว่ามันไม่มีทางออกนะฮะ พอได้เจอกับหลวงพ่อเนี่ยพอท่านมาที่บ้านนะเพื่อนเขาก็เข้าใจหลายๆอย่างเพื่อนก็มาปฏิบัติกับท่านช่วงที่ดิฉันนิมนต์ท่านมาที่บ้านนะฮะแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกไม่ได้เจอท่านเลยนะท่านก็กลับไปดิฉันกับเพื่อนๆเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยก็คุยกันตอนไม่ท่านกลับไปไม่เท่าไหร่นะก็คุยกันบอกว่าเออเราจัดดีไหมเราจัดกรรมฐานดีไหมเพราะว่าสายหลวงพ่อเทียนนี้ ท, นท่านท้าไว้เลยนะหนึ่งวันถึงสามปี พระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งวันถึงเจ็ดปีใช่ไหมเราก็ทํามากันหมดแล้วนะทุกอย่างเหลืออย่างเดียวยกมือเอาไหมก็คุยกันเพื่อนบอกว่าให้จบฮอลิเดย์เราเราเราค่อยคุยกันก็นัดกันตอนนั้นยังทํางานอยู่ค่ะก็นัดกันให้ให้ตรงกันให้วันหยุดงานก็พอดีลงตัวก็นิมนต์ท่านมานิมนต์ท่านมาเดือนกุมภานะเดือนกุมภาปีห้าศูนยเดือนกุมภา ปฏิบัติบ้านเพื่อ น, นตอนนั้น <c oughs> ก็ไปไปมามาเ น, น, นี่ยสิบห้าคนเนี่ยสิบห้ายี่สิบคนเนี่ยไปไปมามาเหมือนท่านอาจารย์ประสันท่านบอกนะ <c oughs> เหลือแปดคนนะแต่นี้ <c oughs> เหมือนที่บอกพระกวาทาน100 ร, ร้อยรูปเหลือห้ารูปอย่างงี้เดี๋ยวแปดรูปอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านเพื่อนไม่มีสาวย่ายน้ำหร <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> อกก็พอดีอ่ายี่สิบกว่าคนเนี่ยพอวันสุดท้ายนะเหลือสี่คน นะสี่คนนะจบคอร์สได้ที่โภมาสี่คนนะแต่สี่คนนี่ก็โอ้โหสบักสบอมนะพวกท่านนี่ยังดีนะหลวงพ่อท่านยังเรียังเมตายังไม่หนักเท่าพวกดิ้ท่นปฏิบัติกันมานะยังมาอนุโลมให้บ้างบางสิ่งบางอย่างนะท่านคงดูว่าพวกเราอย่างพวกดิ่ท่นนี่มันมันพวกหนามันพวกดือ้อรั้นมันต้องเอาแรงๆนะอย่างพวกท่านนี่ บางไม่เป็นไรหรอกนะคะค่อยๆทำเพราะการเห็นทำนิสัยใจคอวาสนาบา ร, รมีคนมันไม่เหมือนกันบางคนต้องทุบแรงๆบางคนไปสะกิดเข้านิดเดียวเขาก็นั่นละอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็อันนี้นอกเรื่องอีกละอ่าอ่าดิฉันก็มามาจัดรวมตัวกันกับเพื่อนจัดที่บ้านที่บ้านคุณหมอเพื่อนกันที่ เทนเนสซีนะคะพอเหลือสี่คนนี่ยปัจจุบันสี่คนนี่ก็เอาอยู่ประมาณสักปีหรือสองปีเนี่ยปัจจุบันเหลือคนเดียวคือดิชั่นนะคะสามคนล่วงไปเลยค่ะสามคนล่วงไปละนะคะแต่ไม่เป็นไรนะค ะ, อ, ะอย่างน้อยเขาก็ยังมีอะไรติดตัวไปสักวันหนึ่งเขาเจอทุกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองเสร็จนะแล้วก็พอดิชั่นมาปฏิบัติที่บ้านเพื่อนนะะี่ค่ะ เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ดิฉันได้สัมผัสอารมณ์รูปนามได้รู้จักรูปนามเมื่อก่อนนี้ก็ เ, เคยคิดนะว่าเอ๊ะรูปนามรูปนามเราเคยอ่านหนังสือนะครูบาอาจารย์พูดมันเป็นยังไงเนาะรูปนามเนี่ยเราก็อยากรู้นะแต่ก็ถามท่านท่านก็แบบว่า ท่านก็พูดในตามหนังสือตามที่ท่านรู้เป็นความรู้ของท่านท่านอาจจะมีสภาวะของท่านเราประมาทท่านไม่ได้แต่มันเป็นที่เราไม่มีปัญญาที่จะไปรับรู้จุดนั้นได้ปัญญาเรายังไม่ถึงพอนะเสร็จแล้วก็ท่านก็พาให้ปฏิบัติเนี่ยช่วงที่อยู่บ้านหมอที่ปฏิบัติกันที่เข้าคอร์สครั้งแรกกับท่านเนี่ยนะคะอ่าก็สร้างจังหวะทอย่างกิจกรรมอย่างท่านทำเนี่ยแต่ว่า ที่ที่ได้ผลเร็วนะที่ดิฉันสังเกตดูก็คือว่ามันอยู่ในที่เฉพาะจำกัดนะคือบ้านเขาก็ใหญ่พอสมควรนะ่ะแต่ทีนี้มันไม่กว้างขวางเหมือนวัดท่านอาจารย์นะนั่นอนะ่ะทาให้แบบว่าถ้าได้ก็ได้เลยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้ก็รอไปก่อนแต่คนที่แบบว่าเข้าที่มันอยู่ในที่จำกัดเนี่ยมันระเบิดเร็วอารมณ์มันระเบิดเร็วรรเท่าที่ดิฉันสังเกตดูนะ นี้พูดถึงว่าพอปฏิบัติไปนะวันแรกนี่นะแบบว่าโอ้ดิชันที่สร้างจังหวะนะเป็นคนที่นอนนี่ก็ยังไม่ทิ้งนะการต่อเนื่องเนี่ยอย่างดิชันเคยดิมอนสเตรทให้ฟังว่านอนเอียงข้างเนี่ยก็สร้างเจ็จังหวะเพราะสร้างสิบสไม่ได้เอียงข้างอีกข้างหนึ่งพลิกไปก็เจ็จังหวะนอนหงายก็สิบี่จังหวะทาอยู่อย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองทํานี่นะ ตัวเองบังคับแต่ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราบังคับตรงนั้นเพราะว่าจะสร้างจัหวะมีจิตในการสร้างจัหวะมากที่มันไปกั้นความคิดกั้นความคิดโดยปริยายโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะตอนนั้นสติปัญญาเรายัางไม่ยังไม่เพียงพอนะคะเกิดอาการปวดศีรษะเกร็งตัวแข็งแบบถือแบบมึนหมดเลยนะปวดมากเลยจนเพื่อนนี้ต้องมาบีไพ่นะบีเนี่ยบีเ็แรงเลยแบบบิดแร ง, ง, งเลยนะ ก็ไปเรียนท่านอาจารย์พระพี่เลี้ยงท่านนะท่านก็บอกว่าปล่อยให้มันคิดบ้างให้มันเป็นธรรมชาติเราก็ไม่เข้าใจอีกเนี่ยประสบะการณ์พวกเนี้ยที่ดิฉันผ่านมาเนี่ยก็ได้เรียนรู้ก็ได้เอามาเนี่ยพอเพื่อนกัญยาเนมิตรติดข้องปัญหาอะไรไม่ใช่ว่ารู้อะไรมากรู้จากประสบะการณ์ที่เราผ่านมาตรงจุดเนี้ยเอาก็มาแก้ไขกันมามาบอกเออฉันเป็นอย่างนี้นะเราก็ช่วยกันอ่า แก้ไขกันไปเนี่ยจากจุดนี้พอวันที่สองนะคะพอวันที่สองมาอีกดิฉันปฏิบัติฟอนที่สองเนี่ยแบบว่าได้นิมิตคนะ่ะได้นิมิตโอ้โทีนี้ความชั่วความดีความเร็วอะไรที่ทำไว้นะมันออกมาหมดเลยท่านนะเราจะไปทำอะไรไปเคยทะเลาะเบาแวงเคยไปมีปัญหา ดูถูกเกียดยา้าพ่อแม่ของเราไปลักเล็กขโมยน้อยผิดศีลผิดธรรมที่ไหนมันจะทะลักออกมาหมดเลยช่วงนี้นะคะมันไปคล้ายว่ามันไปเจอต่อน้ําเนี่ยความที่เราทําเนี่ยมันไปล้างจิตของเราให้ให้ออกมาเลยนะไปกันไปกรองจิตใจของเราออกมาไปท่องถึงขนาดนรกเลยนะคะท่านไปขนาดว่าไปเห็นนะใครที่ตายไปเนี่ยไปตกนรกนี่นะโอ้โหนี่นะ ศพนี่ของใครของใครของใครนะบางคนเราก็รู้จักบางคนเราก็ไม่รู้จักเนี่ยอมีผู้ชายล่างสูงๆนะน่ากลัวมากเนี่ยเอามีดนี่มาสับสับสับสเนี่ยเหมือนสับเป็ดสับไก่ที่เราเคยเห็นร้านขายเป็ดขายไก่อย่างนั้นแหะอย่างนั้นเลยนะ <im ites> น่ากลัวมากะด <im ites> ิฉันนี่นอนไม่หลับเลยนะตีหนึ่งครึ่งเนี่ยออกมาจากห้องนอนนะมานั่งตรงบันได น, นะหลวงพ่อท่านอยู่ข้างบนชั้นสองใ น, นบ้านหมอดิฉันนั่งสั่นเลยนะ ถ้าเป็นผู้ชายนี่จะขึ้นไปเคาะประตูท่านเลยนะบอกยมกลัวเหลือเกินท่านทำไมเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่กล้านะเราก็ข่มใจไว้จะพูดให้เพื่อนฟังก็ไม่กล้ากลัวเพื่อนจะเสียกำลังใจกลัวเพื่อนจะตกใจเ mm hmm. พราะเพื่อนนี่เขายั ง, ย, งยังไม่เข้มแข็งนะจิตใจเขาไม่เข้มแข็งถ้าเกิดดิฉันพูดไปนี่วงแตกแน่ก็อดกลั้นไว้นะอดกลั้นไว้จนถึงอีกวันหนึ่ง mm hmm. พอถึงอีกวันหนึ่ง ฉันเพนเสร็จเนี่ยดิฉันก็ได้โอกาสท่านกําลังทําเทพทําอะไรกับพระพี่เลี้ยงอยู่ดิฉันก็เข้าไปกราบท่านก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกท่านก็ดิฉันก็เล่าเรื่องเนื้อหน i m i t ของดิฉันให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเนี่ยไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายมาเยอะเลยใช่ไหมดิฉันก็ยิ้มก็ถูกของท่านนะมันก็ท่านก็ ตั้งก็พูดตรงพูดถูกกันนะดิฉันก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ไม่มีอะไรดิฉันก็ปฏิบัติไปนะพอปฏิบัติไปวันที่วันวันเดียวกันนะะันนะคะช่วงบ่ายนะได้อารมณ์ดีมากเลยจิตใจนี่โปร่งเบาสบายมากเลยคนะ่ะไปเดินจงกรมข้างนอกนี่นะสามสี่ชั่วโมงนี่นะโอ้ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยฮนะผิดกับวันแรกที่เรามานะผิดมากเลยดิฉันก็ ข้างบ้านคุณหมอเนี่ยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะมันมีรถอะเด็กคงเด็กวัยรุ่นน่ะมันสตาร์ทเสียงดังมากเลยนะตื่นเช้ามาที่ฉันนี่ลาคาญมากเลยเหมือนคุณพี่นะลาคาญมากเลยนะแม่รถนี่นะเข้าปฏิบัติธรรมแล้วมันสตาร์ทเสียงดังหน้าโหนกหูลาคาญทุกวันเลยฮะตั้งแต่ไปปฏิวัติวันแรกวันนั้นนะะมันสตาร์ทปื้ดนี่นะดิฉันได้ยินเสียงนะหูนี่นะได้รับฟังเสียงนะแต่ใจมันรับรู้นี่ สัมผัสและอารมณ์รูปนามเริ่มแยกกันละนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนนี่เราหูกับใจนี่เป็นสิ่งเดียวกันตอนที่เรายังไม่รู้เรื่องรูปนามนี่นะกายใจจะเป็นสิ่งเดียวกันหมดเราทำชั้นทำคุณทำมันไม่รับรู้มันเป็นมันพวดเดียวเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยพอดิฉันมาสัมผัสอารมณ์ตัวนี้นะหูได้ยินเสียงใจมันเป็นผู้รับรู้นี่มันจะแยกกันเลย ความคิดอยู่อย่างหนึ่งตัวรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนี่อารมณ์รูปนามนะเมื่อก่อนความคิดนี่นะความคิดกับตัวรู้สึกตัวนี่มันจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยพอเรามาแยกตรงนี้เข้าถึงเรียกว่าแยกรูปแยกนามมันไม่ได้พิสดารไม่ได้เกินสิ่งที่ว่าเราทำไม่ได้เลยมันเป็นธรรมดาเลยเนี่ยถ้าเราทำถูกต้องเข้าจุดนี้นะทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมด นะจะแตกต่างกันเล็กเล็กน้อยๆยเพียงดีเทลแค่นั้นเองแต่ว่าเมนเมนติงแล้วก็เหมือนกันหมดนะแล้วมีมีระคังคุณหมอเขามีระคังบางบ้านก็ติดใช่ไหมระคังที่เวลาลมพัดมาแล้วมันก็เสียงดังกริง๊งกริ๊งกริงนะคะนั่นอะ่ะพอระคังลมพัดมานะดังกริง๊งกริ๊งนะมันจะเข้าที่หู นะแต่ใจนี่รับรู้แต่เมื่อก่อนนี่ ก, weirdest, กริ้งก็ไม่รู้เรื่องก็กริง<ๆ>ก็รู้ว่ากริ้ง bon illa, กันนั้นอ่ะแต่กริ่งคราวนี <nim. S 1> ้นะมันจะมาสัมผัสที่จิตเราเนี่ยมันจะแยกกันอยู่อย่างนี้เนี่ยอารมณ์รูปนามนะแต่ตอนที่เราสัมผมัสอารมณ์นี้เราไปเรียนให้ครูบาอาจารย์ท่านนะเราไม่รู้หรอกว่านั่นอารมณ์รูปนามตัวที่เราเราตัวเองอ่ะเราจะไม่ทราบหรอกจน่ะท่านสอบอารมณ์ท่านมานั่นเราถ้าท่านถึงรู้ว่าเออเนี่ยเราได้สัมผัสจริงเออนี่จริง ่พอสายหลวงพ่อเทียนนี่นะ <c oughs> มีการตรวจสอบมีการซักถามกันตลอดเลยว่าจริงไม่จริงว่าเออเรารู้สัมผัสรู้ถึงแค่ไหนแค่ไหนไม่มีที่จะว่าให้คุมเครือไม่มีเลยนะะเสร็จแล้วก็พอพอเย็นนั้นนะคะพระพี่เลี้ยงท่านก็สอบอารมณ์ว่าเป็นยังไงวันนี้ปฏิบัติเป็นยังไงนะดิฉันก็เรียนอย่างที่ดิฉันเล่าให้ท่านท่านฟังนะี่นะะแล้ว บอกก็เรียนท่านอีกว่าเวลานั่นนะท่านเวลาเวลาโยมเนี่ยกระทบเนี่ยอะไรเนี่ยยังหวั่นไหวจิตเนี่ยมันกระเพื่อมตึบตึบตึบในใจนี่เรารู้เลยใช่ไหมเวลามีอะไรกระเพื่อมเราไม่พอใจมันตึบขึ้นมาในใจรัดโยมทํำยังไงดิฉันก็บอกว่าดิฉันก็เนี่ยก็ถูมือตบมือบ้างทําความรู้สึกตัวอย่างนี้บ้างท่านบอกเออก็ทําดีแล้วนี่ก็ทําอย่างนั้นแหละเนี่ยเป็นการกระตุ้นเนี่ยที่การกระตุ้นนี่ก็เหมือนการสร้างจังหวะเราเนี่ย เห็นไหมให้จิตเรามาอยู่ตรงเนี้ไม่ให้ไปกับสิ่งที่มันเข้ามาให้ไปกับความคิดความปรุงแต่งเนี่ยเห็นไหมอย่างเนี่ยพอถึงว่าการกระทบเนี่ยนะแบบว่าสําคัญมากเลยนะดิฉันมาเข้าใจการกระทบครั้งแรกก็ตรงนี้จุดเนี้ยจุดอารมณ์รูปนามเนี่ยนะคือว่าเนี่ยอายัตญาตนาภายนอกเนี่ยภายนอกเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยกับอายัตนาภายในหูตาลิ้นคอจมูกลิ้นเนี่ยเนี่ยปุจมูกปาก หูตาลิ้นเนี่ยนะลิ้นไม่ใช่ปากขอโทษทีเนี่ยมันกระทบกันเนี่ยแต่เราไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอไม่ได้ฝึกมาดีพอเนี่ยมันถึงล่วไหลไปกับอารมณ์พวกนี้เนี่ยพออายตนะสัมผัสภายนอกภายในเกิดเท่าไหร่เกิดเป็นผัสสะผัสสะเกิดเป็นเวทนาใช่ไชอบไม่ชอบเนี่ยหลวงพ่อก็พูดถึงอยู่เพราะชอบไม่ชอบ ทุขสุขเวทนาเนี่ยสอย่างอารมณ์เนี่ยชอบไม่ชอบเฉยเฉยยังไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบดีคุณพี่บอกจะรู้ว่าเอ๊ะจะอารมณ์ดีไม่ดีจะโกรธดีไม่ดีเนาะใช่ไหมอารมณ์นี้ก็มีบางทีเราก็มีเนี่ยบางทีเราก็มีแต่เรายังไม่ไม่ไม่รู้ก็พอถึงอารมณ์เวทนาแล้วนะเรายังเอาตามไม่ทันเนี่ยเวทนากลายเป็นอะไรเป็นตันหาเป็นอุปทานทุกธรรมะไปเลยทีนี้เนี่ย เข้ากฎของปฏิจสมุติบาทเลยเห็นไหมเราปฏิบัติมานี่นะเข้าจุดตรงที่ว่าเตีรี่กับ practical ไปด้วยกันเลยเนี่ยอย่างดิฉันนะไม่ไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาบาลีเลยนะแต่ทีนี้มันเป็นไปเองเป็นไปของมันเราต้องพูดภาษาพระพุทธเจ้านะเนี่ยพูดเพราะว่าเราได้รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า ท่านเอามาเผยแพร่มาให้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นกา ร, รยานมิตรเราก็เอามาเผยแพร่ให้พวกเรามาสั่งสอนพวกเราได้ได้รู้ได้เห็นธรรมเพราะถวายทำแก่พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแล้วภาษาบาลงบาลีนี่ท่างก็ไม่ได้ดีช่างก็ไม่ได้เรียนเลยคฮะเนี่ยบทสวดมนต์เนี่ยพอเรารู้เราเข้าใจองจุดไหนนะเราไปอ่านสิในบทสวดมนต์เนี่ยมันจะยิ่งซึ้งเข้าไปในจิตในใจเรานะยังไม่มีวันลืมเลยนะเนี่ยแล้วการที่เราได้สัมผัสธรรมนี้นะฮะ เราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนวันที่เท่าไหร่เดือนที่ไหนนะมันไม่มีเคยลืมเลยครั้งแรกนะที่เราเปลี่ยนเห็นธรรมเ ห, เห็นธรรมเห็นธรรมะนะไม่ว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีวันลืมไม่ว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะแล้วพออารมณ์รูปนามผ่านไปเราจะไปรู้อารมณ์ใหม่ๆขึ้นนะจะไปรู้อารมณ์สมมติอารมณ์ปรมาสอารมณ์เกิดอารมณ์ดับ ไปเรื่อยๆขึ้นไปอย่างนี้แต่อารมณ์รูปนามถ้าเรายังเปิดประตูรูปนามไม่ได้นะมันจะไม่มีทางเข้าถึงวิปั ส, สนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยที่เราทาอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นเปิดการเปิดประตูธรรมนะคะมันมันมันก็คงไม่ยากเกินไปหรอกมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไม่เอาเราเปิดใจต้อนรับไหมแต่ว่าที่ท่านมาทุกคนนี่นะก็คิดว่าท่านก็ คงพร้อมที่เปิดใจรับอะนะแต่จะรับมากแค่ไหนก็แล้วแต่ที่หลวงพ่อท่านพูดแต่ว่ า, าสติปัญญากำลังบา ร, รมีของเราที่จะรับได้อย่างนี้นะคะแต่การปฏิบัตินนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคนะมีอุปสรรคเยอะหรือเกินนะ ดิฉันปฏิบัติมานี่นะปฏิบัติกับหลวงพ่อนี่นะท่านพาไปนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติคอร์สนี่นะเดี๋ยวหายไปอีกปีหนึ่งนะพอได้เนี่ยปฏิบัติเนี่ยกลับไปบ้านธรมพอมีท่านอาจารย์ประสานท่านจัดงานาาก็มาอีกมาอีกมามาบ่อยๆทำบ่อยๆมันถึงจะชํานาญอย่างดิฉันปฏิบัติกับท่านแล้วนี่นะกลับไปเนี่ยพอพอได้อารมณ์รูปนามนี่นะหลวงพ่อท่านกลับไปเมืองไทยเลยนะฮะกลับไปเมืองไทยดิฉัน เดือนกุมภาใช่เดือนมีนาต้นเดือนอนะดิฉันโทรไปที่拉斯เวกัสเลยนะโทรไปบอกว่าหลวงพ่อไม่อยู่เนะดิฉันขอมาปฏิบัติธรรมได้ไหมจะมีใครพาดิฉันปฏิบัติธรรมได้ไหมเอาถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเราได้อารมณ์ใหม่ๆเราไม่อยากมันมันกำลังแบบว่าโอ้โหเราได้แค่นี้ยังยังช่วยทุกข์เราได้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะถ้าเราได้มากกว่านี้นะทุกคงไม่มีเนี่ยใจมันคิดไปอย่างนั้นเลยนะกบ ท่านบอกมาสิก็ไปดิฉันก็คิดว่าไปก็คงปฏิบัติเหมือนเราปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยสเกจเจอย่างงี้ใช่ไหมมันคาดผิดคนะ่ะคาดผิดเลยพอไปถึงนะท่านให้ดิฉันอยู่ในห้องเล็กๆนะคะห้องเล็กๆใหญ่กว่าห้องน้ํานี่สักหน่อยห้องน้ําตรงนู้นนะคะสักนิดหนึ่งแค่นั้นนะเป็นห้องกรรมฐานท่านเอาดิฉันนี่ฮะเข้าไปเก็บอารมณ์ในนั้นนะคะเก็บอารมณ์ในใน ภาษาเก็บอารมณ์นี่นะมันเป็นภาษาคล้ายๆประจําสํานักของสายหลวงพ่อเทียนบางสายเขาก็มีภาษาของเขาอะนะอย่างเก็บอารมณ์ติดอารมณ์นะเสียอารมณ์นะได้อารมณ์นะสอบอารมณ์อย่างเงี้ยมันมีอย่างเงี้ยแต่ติดอารมณ์นอย่างเก็บอารมณ์เนี่ยที่ดิฉันไปนะพอไปถึงพระท่านนี่นะเอาดิฉันไปไว้ในห้องเลยดิฉันก็งงเอ๊ะ แล้วแล้วไม่ปฏิบัติเหมือนที่เคยปฏิบัติบ้านคุณหมอหรอคะอไม่หรอกโย ม, ย ม, ยมอยู่ในห้องนี้ล่ะมีคนส่งข้าวส่งน้ำโยมเองโห้คิดในใจ ย, ยังไงกันนะเราก็งงไม่เคยเก็บอารมณ์ไงเสร็จแล้วก็วันนั้นไปเก็บอารมณ์ก็จิตใจมันมันมั น, ม, นมันฝักไฟนะคะฝักไฟแบบแบบว่าเอ๊ ทำไมนะ่าต้องมาเก็บอารมณ์มันคิด่นะแล้วมีคนมาส่งอาหารนะจิตใจนี่มันมันเริ่มละเริ่มคิดละเอาความคิดเริ่มมาละโอ้โหความคิดมาอีกอะเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยห้องเล็กๆอย่างเงี้ยลาสเวสลาสเวกัสนี่ร้อนช่วงนี้ฉันไปนี่อากาศก็ไม่ร้อนมากนะช่วงนั้นไม่ร้อนไม่หนาวแล้ววัดตอนนั้นเขายังไม่ได้ปรับปรุงมากนะมันอยู่ใกล้คอกม้าด้วยโอ้โหเหม็นขี้ม้าน่าดูเลยนะโอ้โห <c oughs> ทั้งม้าฉี่ทั้งมับ อนะแล้วคนข้างบ้านเขาก็ซ่อมบ้านนะตีหลังคาปป๊กปอกแบบว่ารบกวนมากเลยค่ะไม่มีสมาธิเลยนะรบกวนมากเลยได้ทาไงจะอยู่ได้เนี่ยนะกลางคืนก็พวกเม็กซิกันก็เยอะนะเวลาดีชันออกมาเดินจงกรมเนี่ยนะมันก็มาทําแบบท่าทางไม่ดีไม่ดีกับเราอะนะเราก็กลัวนะเอ๊ะเกิดกลางคืนมามันเข้ามาข่มขืนเราทําไงเนี่ย ดูพระพี่เลี้ยงท่านก็เออท่านยังหนุ่มนะท่านเป็นมวยจีนด้วยเราคงเรียกท่านมาทันอยู่นะคิดในใจนะคิดปรุงแต่งไปโอ้ยปรุงแต่งไปมากเลยฮนะแบบไม่หยุดเลยสมองนี่หมุนติ้วเลยนะะกลางคืนก็นอนไม่หลับกลางวันก็นอนไม่หลับทุกข์มากจริงๆไม่เคยเกิดมาไม่เคยทุกข์อะไรอย่างนี้นะมันถ้าใครไม่รู้จุดนี้นะจะไม่ได้สัมผัสจุดนี้จะไม่ทราบหรอกว่าความทุกข์นี่มันทุกข์ยังไงไม่รู้ว่าทุกข์อะไรนะตอนนั้นอะ มันอึดอัดไปหมดแต่ตอนที่เป็นนะเราไม่รู้ที่จริงนะเรากลับบ้านเสร็จก็หมดเรื่องใช่ไหมแต่มันคิดไม่ออกถึงขนาดนั้นเลยนะฮะเนี่ยเรามีตั๋วเครื่อินอยู่โอ้ยอยู่ไม่ได้หรอกท่านไปเลยก็ได้แต่เราคิดไม่ถึงคิดไม่ออกก็น้องคนมาส่งอาหารแล้วก็บอกน้องไม่ต้องเอามาส่งพี่หรอกนะ พี่ขอน้ำก็พอพี่กินอะไรไม่ได้หรอกมันอึดอัดไปหมดมันปั่นป่วนไปหมดอกนี่นะโอ้พี่ต้องทานบ้างนะไม่ทานไม่ได้นะสามวันแล้วเขาก็เอาผลไม้ทิ้งไว้ให้ก็ไม่ค่อยได้ทานหรอกก็สร้างจังหวะเดินจงกรมตลอดจนเท้านีนะ่ที่เวกัสมันมีหนาอ่ะเวลาลมพัดมันมีหนามใช่ไหมยี่ฉันเหยียบน้นามนี่นะคะจนเป็นหนองเนี่ยก็เดินจงกรมไม่ทิ้งนะท น, น้ําไม่เป็นไรนะ อ่าท่านบอกให้อยู่ก็อยู่คือดิฉันนี่จะว่าเราเชื่อครูบาอาจารย์นะท่านสั่งให้อะไรท่านทําอะไรเราก็ทําเพราะหลวงพ่อท่านบอกท่านเอาคอเป็นประกันท่านบอกท่านไม่ให้พี่ท่านไม่ให้ดิฉันเนี่ยหลงทางดิฉันบอกเออเราเป็นใครกันนะท่านเอาคอมาเป็นประกันเราเนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทํามันต้องดีถ้าท่านเอาคอเป็นประกันท่านตายก่อนเราเราไม่ตายก่อนท่านนะคิดไปอย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็ พอวันสามวันแรกท่านปล่อยดิฉันอยู่คนเดียวเลยนะพ่อพี่เลี้ยงไม่มาดูเลยนะดิฉันนี่นั่งนอนร้องไห้น้ําตานี่โอ้เปียกหมอนเป็นสายเลือดเลย ถ, ถ้าเปรียบเทียบนะคะทำยังไงได้ไม่มีปัญญาแล้วบอกนี่นะคานเลยนะมีเตาเล็กๆเตีต้ยอย่างเงี้ยมีรูปหลวงพ่อเทียนอยู่ดิฉันเนี่ยคารไปเลยนะไปกราบบอกว่าโอ้หลวงพ่อโยมลูกช้างนี่หมดปัญญาแล้วหมดปัญญาแล้วช่วยลูกด้วยเถอะ มันทุกข์เหลือเกินไม่รู้จะทุกข์อะไรทำไมนักหนาอย่างนี้น ะ, ะความคิดทำไมมันมากมายมาหาศาลกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอย่างนี้พอคืนนั้นนะฮะพอดิชันบอกว่าดิชันไม่เอาละนะเป็นตายก็ช่างมันศีษะก็ปวดหิวก็หิวทุกทั้งกายทุกทั้งใจพอคืนนั้นประมาณสักตีหนึ่งนะดิชันนึกว่าดิชันตายไปแล้วนะตัวนี่นะเบามากเลยฮนะ ก็มาจับร่างกายดูว่าเอ๊ะเรามีชีวิตอยู่หรือ ว, ว่าตายจริงๆเนี่ยไอความคิดมันหายไปไหนหมดไอความอึดอัดขัดเคืองนะั่นมันหายไปไหนหมดตายแล้วเราคงก็ไม่แน่ใจนะก็ลุกออกมาเปิดประตูตีหนึ่งครึ่งตีสองเนี่ยเพราะปกติเวกัสเนี่ยสถานที่วัดอยู่เนี่ยมันจะมีรถทั้งคืนรถตำรวจบ้างรถวอลบ้างเพราะครา ม, มันเยอะอใช่ไหมฮะแล้วหนวูว่าโอยไม่ไม่สงบเลยวัดนั้นนะข้างนอกนะะ ใจิตใจเราก็ไม่สงบด้วยเราก็เลยมองข้างนอกว่าไม่สงบทั้งนั้นเลยนะฮะงั่นนะ่ะเสร็จแล้วก็พอดิชันบอกว่าเออมันสงบแล้วออกมาดูว่าตัวเองนี่นะเออเราเป็นไปได้เหรอเรายังตกนรกอยู่ทั้งสามวันตอนนี้ทําไมมันหายไปไหนหมดมันสงบมันได้มันบอกไม่ถูกเลยฮะนะฮ ะ, นะฮะตัวนี้นะมันเป็นสมาธินะสมาธิชนิดว่าสมาธิที่อยู่ในองค์มรน ะ, ะองค์ฌาน เขาเรียกสัมมาสมาธิสมาธิตัวนี้นะฮะแปบลบว่ามันไม่มีมันไม่สุขไม่ทุกข์นะจิตนี่เป็นกลางนะฮะแบบว่าเบาสบายน ะ, ะแต่รู้ตัวหมดน ะ, ะไม่ใช่ไปนั่งหลับตาไปอะไรเลยน ะ, ะที่สองที่ฉันลุกขึ้นมาเดินจงกรมทั่ววัดเลยน ะ, ะโอ้โหหกโมงเช้านั่งน ะ, ะดื่มนะะ้ำนะมีความสุขมากที่สุดเลยนะ พอสักตอนตอนบ่ายๆมาภาะพี่เลี้ยงท่านมาสอบอารมณ์ท่านบอกว่าเป็นไงสงบอย่างโอ้ท่านสงบแล้วสงบแล้วนะฮะมันเป็นสิ่งที่ว่าดิฉันไม่เคยได้สัมผัสมาเลยในชีวิตนี้สิ่งนี้นะฮะท่านบอกดิฉันก็เรียนท่านบอกว่าสงบแล้วสงบแล้วนะคือแล้วนะะลสงบแล้วเป็นยังไงท่านถามเนะี้ยสงบแล้วเป็นยังไง ดิฉันก็เรียนท่านบอกว่าสงบแล้วธรรมะเอกมันผุดขึ้นในใจโอ้โหธรรมะนี่นะเหมือนตาน้ําแตกค่ะท่านอ่าคุณคุณมันผุดผุดผุดผุ ด, ผ ด, ผ ด, ผดขึ้นมาอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะโอ้โหมันผุดขึ้นมาหมดจนชนิดว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะออสมาธิที่มันจิตใจมันตั้งมัน่นบริสุทธิ์จิตที่สดใสนะไม่มีอะไรมาเกี่ยวรัดในดวงใจนะมันเสวยอารมณ์เนี่ย นี้นะโอ้โหสุดที่จะบรรยายได้เนี่ยนะพอเราไปเรียนท่านครูบาอาจารย์ท่านมาสอบอรมณท่านก็อท่านก็บอกว่าเออทีนี้นะถ้ากลับไปบ้านนะให้ก็ให้ไปดูกายในกายนะดิฉันก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเออดูกายในกายนี่ดูยังไงเออก็คงกายในกายที่เราทําเนี่ยสร้างจังหวะเอาความรู้สึกเรามาอยู่กับกายอย่างเงี้ยนะดิฉันก็กลับบ้านไปนะ ก็ทีนี้ก็ทำเลยละ่ะทีนี้เนะ่ยทำมาแลดิชันใส่สติลงไปใส่สติลงไปจะเดินจะย่างจะยืนจะนอนเมื่อก่อนนี้นะเปิดประตูก็ไม่เคยมีสติอะไรก็ไม่มีสติจะลงเตียงนี่นะเท้าขวาเท้าซ้ายยังไม่รู้เลยพอกลับไปบ้านนี่นะเท้าซ้ายก็รู้เท้าขวาก็รู้มือซ้ายก็รู้มือขวาก็รู้จะพูดจะดื่มจะอะไรมันรู้ไปหมดเลยทีนี้ทีนี้ก็เห็นเห็นแต่ตัวเองทั้งวันเลยวันนั้นสามวันนะ เห็นแต่ตัวเองเลยแล้วอารมณ์ที่แบบว่าโปร่งโล่งเบาสวบสบายจิตตั้งมั่นเนี่ฮนะไม่มีความกลัวเล ย, ย ว, ว่าแต่งูเลยโอ้ยแม้แต่อะไรก็ยังไม่หวั่นไหวเลยนะนี่อารมณ์สมาธิถ้าจิตมันตั้งมัน่นดิฉันถึงไม่แปลกใจเลยนะครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยที่ท่านเข้าป่าเข้าเขา เ, าเจอเสือเจอช้างเนี่ยเพราะสมาธิตัวนี้แหละเห็นไหมท่านถึงอยู่ได้เนี่ยไม่ได้พูดเกินความจริงเลยนะ ดิฉันเลยถามหลวงพ่อนี่หลวงพ่อให้ดิฉันมาพูดอย่างนี้นะหลวงพ่อมันเวอร์ไปหรือเปล่าหลวงพ่อมันจะเวอร์อยังไงถ้ามันเป็นความจริงเออเราทาได้จริงเป็นของจริงอะไม่มีเวอร์แน่ดิฉันก็เลยต้องพูดต้องเล่าให้ฟังว่าทำได้ทำได้ทุกคนเลยนะพอดิฉันกลับมาบ้านนะอารมณ์นี้มันก็อยู่นานนะอยู่ทั้งสักสองสามอาทิตย์นะมันก็ค่อยจางไปแล้วก็กลับมาเป็นปกติ ปกติเพราะอะไรเพราะมันจะอยู่ในกฎไตรลักษณ์อย่างที่หลวงพ่อบอกเห็นไหมมันเนี่ยกฎไตรลักษณ์มันก็เปลี่ยนแปลงแต่สมาธิตัวนี้ถ้าเราได้แล้วได้เลยไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาเหมือนสมัยก่อนดิฉันนี่นั่งสามจังหวงแข่งกันนะโอ๊ยคนไหนเกินดิฉันดิฉันไม่ยอมดิฉันเข้าได้สองเราต้องได้สามอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องอย่างนี้ พอแต่สมาธิตัวนี้นะไม่ต้องอีกเลยไม่ต้องไปนั่งเลยมันจะเป็นตลอดเลยเนี่ยอย่างดิฉันเดินไปเดินมาเนี่ยมันเป็นสมาธิทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะสมาธินี้มันอยู่ตัวละอย่างเงี้ยตัวท่านก็มีสมาธิแต่มันยังมีแบบว่าเราต้องนั่นเอาตัวรู้เข้าไปมากๆเดี๋ยวสมาธิมันก็ออกมาเองนะอย่างดิฉันเดินไปเดินมาเจอพวกท่านเนี่ยนะบางทีนะไม่ได้คุยไม่ได้ทักไม่ได้ทายนะไม่ใช่ว่า ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยไม่อยากทักไม่อยากท่ายอยากจะพูดอยากจะคุยแต่ว่าถ้าเราไปคุยเนี่ยพวกท่านก็ต้องคุยตอบอารมณ์ที่ปฏิบัติมันก็ออกไปหมดิี่นัน พ, พยายามเนี่ยประคับประคองอารมณ์ให้อยู่แต่บางครั้งเห็นบางคนมันอึดอัดมากๆก็เดินไปคุยกับเข้าหน่อยให้เขาได้ระบายอารมณ์ออกมาบ้างเพราะอารมณ์เรื่องอารมณ์นี่สําคัญมากนะมันที่มันอึดอัดนะมันไม่ได้ออกนี่โอ้โหมันมันเก็บกดข้างในแล้วมันมันเป็น เขาเรียกอะไรมะเรงอารมณ์อย่างนั้นเนะ่ยเป็นมีผลต่อจิตใจเรามากมายมหาศาลเลยนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มมาจากอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะวิปัสสนาก็เรื่องอารมณ์ทั้งนั้นเลยถ้าเรายือนอยู่เหนืออารมณ์เลยนะเนะี่ยยือนอยู่เหนือโลกเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าพูดเกินเลยเลยนะเนี่ยเหนือโลกก็เหนืออารมณ์เหนือโลกเหนืออารมณ์เหนือโลกเหนือยังไงเหนือเนี่ยเหนือโลกโลกกระทำเนี่ยโลกที่ถูกทุกข์สุข นินทาสรรเสริญเยินยออะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครใช่ไหมคะพูดเราโอ้แบบว่าอวันนี้นะคุณแต่งตัวสวยเนียโอดีใจนะอย่างนี้ใช่ไหมโอลองไม่ชมสิลองไปว่าตรงพูดตรงข้ามใช่ไหมขึ้นเลยใช่ไหมอ๋ออย่างแม่ครัวนี่เหมือนกันเนี่ยอคุณทําไมทําอาหารไม่เข้าท่าเลยนะเป็นยังไงใช่ไหมนี่ขึ้นเลยนะดิฉันนี่ใช่ไหมตอนทําครัวนี่โอ้โหอุตส่าห์ทำให้กินดีดๆใช่ไหม ยังมาตำหนิอีกเนี่ยเราไม่มีตัวนี้แหละนะใครชมเราก็ชอบเนี่ยพอเรามาฝึกตัวนี้มากๆมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมากๆเข้าเนี่ยตัวนี้ละมันจะไปตัดตัดตัดทุกครั้งเลยเนี่ยเวลาเราจะพูดมากปุ๊บเนี่ยเรารู้ตัวเออเราพูดพูดไม่ตรงละตัดเนี่ยเออพูดมันจะมากเกินไปมันตัดออกเนี่ยพูดไร้สาระมันตัดมันตัดของมันเราไม่ได้ไปบังคับมันนะมันเป็นของมันเองเลยอย่างเนี้ย แล้วพูดนะพูดแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เมื่อก่อนดิฉันเนี่ยเป็นคนพูดมากนะเป็นอารมณ์คนอารมณ์ร้อนด้วยไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะใครมาเห็นสภาพตอนนี้นะสภาพตอนนี้หมดหมดสภาพแล้วเป็นคนโกรธชอบโกรธชอบใช้อารมณ์นะพอมาได้ปฏิบัติเนี่ยมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปน ะ, ะเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะเนี่ยเรามาเจริญสติเนี่ยเราเท่ารู้เท่าทันอารมณ์ของเรานี้ล่ะ เมื่อก่อนนี่โอไปปฏิบัติทีไรลูกลูกบอกว่าโอ้โแม่แม่ไปปฏิบัติกลับมานี่แม่ดา่าเก่งยิ่งกว่าเก่าอีกอย่างเงี้ยนะมันทําให้เราแบบว่ามันไม่ได้เข้าท่าอะไรเท่าไหร่เลยเราเนี่ยนะคิดว่าตัวเองปฏิบัติทมนะไม่ไม่เข้าท่าแต่ว่าหลวงพ่อนะพอปฏิบัติท่านนะท่านก็ยังไม่ได้ว่าปฏิบัติแค่นี้แล้วหยุดนะดิฉันนี่นะหลวงพ่อท่านไปท่านมาเมืองนอกนี่นะปีหนึ่งจะมาหก หเดือนเี่ท่านจะอยู่อเมริกา6เดือนถ้าจะอยู่เมืองไทยใช่ไหมถ้าพอมา6เดือนที่อเมริกาเนี่ยท่านจะจัดกรรมฐานเนี่ยเดือนละสิบวันสิวันหเดือนหกสบวันนะคะถ้าดิฉันมีโอกาสดิฉันก็ต้องไปถ้าไปไม่ได้ก็คุณสมพรถ้าคุณสมพรไปไม่ได้ก็มีทีมงานอีกคนหนึ่งเราก็ผัดเปลี่ยนกันอย่างนี้น ะ, ะไม่เคยบอกว่าจะแบบว่ า, าทิ้งนะคะแล้วถ้าท่านกลับเมืองไทย เราก็ไปที่มีมโอกาสเราก็ไปเมืองไทยนะคะเนี่ยดิฉันเพิ่งไปเมืองไทยมาเนี่ยยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะไปวัดก่อนเข้าวัดพอวัดกับบ้านเหนยวนี้เหมือนกันเมื่อก่อนนี้นะโอ้โหเห็นวัดนี่นะยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมอืมกลัวมากเลยวัดเนี่ยมันคล้ายม อ, อมันวิเวกวงังเวงยังไงไม่รู้นะนะในในในชีวิตที่ดิฉันสัมผัสมาพอเดี๋ยวนี้นะวัดกับบ้านเป็นสิ่งเดียวกันนะคือว่าหนีหลวงพ่อเนะนี่ยหนีไม่พ้นละ ท่านคุมแจแล้รนะท่านเขี่ยวเขียนดิฉันนะท่านก็ไม่ได้มาทุกมาตีมาทําร้ายเราแต่ว่าเห็นสิ่งที่ท่านพยายามทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีทำให้เราขัดเกลาจิตใจเราเราก็เลยยอมแพ้ท่านตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็แต่ช่วงที่ท่านแบบว่าตามหรือตามคือดิฉันตาม ขัดตามเก่าดิฉันนี่นะโ้โหดิฉันติดอารมณ์มากเลยนะไม่พอใจท่านมากเลยนะข่าวไหนถ้าท่านมาอเมริกานี่นะมาอยู่6เดือนเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความโทุกข์มากเลยตอนหลวงพ่อมาเนี่ยนะทุกจริงจริงเลยเพราะว่าไม่อยากให้ท่านมาเพราะท่านมาแล้วท่านพาไปปฏิบัตินะท่านพาไปปฏิบัติเราก็ไม่อยากไปแต่ปฏิบัติใช่ไหมพอท่านกลับเมืองไทยนี่ดิฉันนี่มีความสุขที่สุดเลยค่ะมีความสุขโอ้โหแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความสุข ได้เท่าที่ควรนะท่านโทรมาอีกนะพอโทรมานี่นะโทรมาหาสามีดิฉันรับนี่นะดิฉันบอกว่าไม่ให้รับบอกไม่อยู่นะบอกนี้ไม่อยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าคุณเป็นชาวพุทธยังไงใช่ไหมทาไมโกหกอยู่ถ้าคุณอยากจะโกหกคุณไปโกหกเองสิยื่นโทรศัพท์ให้ดิฉันเลยโอ้โหตั้งแต่นั้นนะดิฉันไม่เคยทําอย่างนั้นอีกเลยนะคนนะค่ะ แล้วสามีดิฉันนี่นะเป็นความโชคดีก็ได้นะคะที่ว่าเข้าเป็นชาวต่างชาตินะคะเข้านับถือาศาสนาคริสต์นะคะแต่เราตกลงกันไว้ว่าตอนที่เราแต่งงานกันนะบอกว่าฉันาศาสนาพุทธนะคุณาศาสนาคริสต์เนี่ยถ้าเราแต่งงานกันนะคงมีปัญหาถ้าเราไม่ก้าวไกลกันนะ ฉันนะก็จะยอมรับาศาสนาคุณคุณก็ยอมรับาศาสนาฉันแล้วเราก็รีสเพคกันนะถ้าคุณจะให้ดิฉันไปเปลี่ยนให้ฉันไปเปลี่ยนเป็นาศาสนาคุณดิฉันก็คงทําไม่ได้และฉันก็ไม่บังคับให้คุณมาเป็นาศาสนาฉันเราก็ตกลงกันคนะ่ะแล้วเราก็อยู่กันด้วยทุกวันนี้แล้วเขาก็สปอร์ตดิฉันนะเนี่ยไปที่บ้านดิฉันนี่มีพระมาเยอะเลยคนะ่ะสมัยก่อนนะคะ เพื่อนฝูงก็มาเยอะเลยมามากินมาเมาเนี่ยพอดิฉันเริ่มปฏิบัติเนี่ยพอกินอะไรเสร็จก็ชวนเพื่อนปฏิบัติเดี๋ยวนี้เพื่อนก็หายหายหายกันไปนะฮะพอชวนปฏิบัติเขาก็หนีกันไปหมดนั่นะนะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ตอนนี้นะก่อนสองวันที่จะมาเนี่ยแม่สามีก็เข้าโรงพยาบาล น, นะอ่านายวันวันมาเลยมาที่คอนโดอยู่ที่ฟลอริดาเนี่ยคะ่ะที่เกาะมากโกเนะะี่ย มารับไปดิชั้นเนี่ยมีมีเลี้ยงลูกหมาไว้ตัวหนึ่งไม่ตั้งใจจะเลี้ยงหรอกค่ะลูกหมาลูกหมาตัวนี้เนี่ยมันเป็นหมากำพ้านะคะมันวิ่งมาซุกเท้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเอามาเลี้ยงสามีเขาก็เลี้ยงไว้แล้วสุสสนัขตัวนี้นะมันเคยช่วยชีวิตดิชันไว้สองครั้งนะ ค, ะครั้งหนึ่งเนี่ยดิชันผ่าตัดมาเนี่ยนะนอนอยู่ห้องรับแขกเนี่ยทีนี้เนี่ยแบบว่า มันผิดพลาดในการผ่าตัดหมอเขาทําผิดพลาดนะฮะสุนัขเนี่ยดิฉันพ่อเขาก็นอนอีกห้องนึงเขาไปดึงลากสามีดิฉันนลงมาจากเตียงจนได้เลยนะมาช่วยดิฉันถ้าไม่ได้เขาดิฉันก็คงไม่นานมานั่งตรงนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นค่ะแอสซม่าอักเสบหายใจไม่ได้เลยนะช็อกไปนะเขาก็ไปเรียกพ่อเขามาให้มาดูลากลงมาเลยไม่ยอมเลยนะนั่นนะ ดิฉันก็เลยเลี้ยงเขาไว้แล้วตอนนี้เขาชลาภาพมากแล้วเขาอายุ19ปีแล้วค่ะเขาอายุ19ปีนะเขาพเขากระโดดเลยนี้ขาไปพริกยังไงไม่ทราบนะคะขาพี่การก็ไม่ได้ก็เหมือนลูกเลี้ยงลูกเลยค่ะต้องอุ้มเวลาเขาจะไปทำธุระส่วนตัวเขาก็เห่าเรียกนะเห่าเรียกให้เรายกเข้าไปข้างนอกเขาไม่ยอมทำเลอะนะคะขนาดอายุ19เขาพี่การเราก็อุ้มเขาไปข้างนอกนะคะ ุ้มเข้าไปข้างนอกไปทำธุระส่วนตัวเขาแล้วเวลาเขาจะเดินขาหน้ายัางดีอยู่ดิฉันก็เอาผ้าเช็ดตัวยาวๆเนี่ยสอดใต้ท้องแล้วก็ให้เขาเดินนะอย่างเงี้ยนะข้าวน้าก็ต้องป้อนเหมือนลูกเล็กเลยค่ะสามีก็ไปไม่ได้นะแม่ป่วยหนักเลยแม่บอกอยากเห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายนะลูกก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าภรรยาไปเข้ากรรมาฐานนะเพราะว่าตอนแรกดิฉันนึกว่า คุณสมพรบอกว่าเราต้องไปทำครัวนะพาะไม่มีแม่ครัวดิฉ่นก็เลยบอกว่าเออต้องไปสิไม่มีเราก็ต้องไปผู้ปฏิบัติมาเราก็ต้องไปแต่พอดีโชคดีคุณสมพรมาบอกอีกบอกว่าเราไม่ต้องทำแล้วมีญาติโยมมาจากเมืองไทยเขามีศรัทธาจะมาทำให้โอ้ก็ดีอนุโมทนาก็เลยผู้ที่ช่นก็เลยได้ปฏิบัตินี่ฮะและดิช่นก็ได้มา เก็บอารมณ์ได้ปฏิบัติได้ดูแลตัวเองด้วยได้ช่วยพวกท่านด้วยเนี่ยมันก็มันสิ่งไหนที่เรายังขาดยังติดยังคล้องก็ได้ปฏิบัติของตัวเองไปด้วยมันก็เลยดีดีทั้งสองฝ่ายว่าอย่างนั้นเถอะส่วนแม่สามีดิฉันก็อาการรอแดแล้วตอนนี้นะแบบพยาบาลก็ไม่ได้ดูแลเขามีพยาบาลดูแลส่วนตัวนะยี่ี่ชั่วโมงเลยที่บ้านมาสามปีแล้วนะคะตอนนี้ก็พยาบาลกลับไปบ้านไปอาบน้า ตกเตียงค่ะตกเตียงนะคะตะโพกนี่หักหรื อ, อยังไงเนี่ยตกเตียงอ่าเก๋บอกเก๋ไม่อยู่และวโรงพยาบาลเกจะไปตายที่บ้านแต่ตอนนี้กลับไม่ได้ขอให้ลูกไปลูกก็บอกว่าดิฉันไม่กลับมาจนถึงวันศุกร์ดิฉันต้องกลับไปที่เทนเนสซี่วันศุกร์นะคะไปวันศุกร์วันเสาร์ดิฉันไปถึงปุ๊บสามีจะต้องบินไปหาแม่เขาทันทีเลยเพราะว่าไม่มีใครดูลูกสุนะัขน ะ, ะแต่เมื่อก่อนนี้นะ ถ้าเป็นสมัยก่อนดิฉันไม่ได้ฝึกดิฉันจะอยู่ไม่ได้เลยนะหลวงพ่อต้องมาเคี่ยวเขียนบอกโทรไปบ้านแล้วยังโอ้ลืมแล้วหลวงพ่อลืมโทรเลยต้องโทรไปก็ไปถามเขาเขาบอกว่าอไม่ต้องห่วงนะดิฉันจะดูแลลูกสุนัขเองอยู่เถอะอยู่จนครบนั่นน่ะเนี่ยดิฉันก็โชคดีตรงนี้น่ะว่าสามีเขาสนับสนุนพ่อเมื่อก่อนครั้งแรกเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่เห็นด้วยที่ดิฉันมาปฏิบัติเนี่ยเพ่อเขาเป็นชาวคริส เขาก็ไม่พอใจลึกๆกินแต่เขามีมารยาทเขาก็ไม่เอ่ยอะไรพอดิฉันปฏิบัติไปเราเริ่มเย็นเราเริ่มดีเราเริ่มเปลี่ยนไปเขาก็เห็นจุดนี้อ่ะเขาก็เลยต้องจำยอมยอมจำนนไม่ใช่จำยอมยอมจำนนแล้วดิสามีดิฉันนะคะเขาดื่มสุราด้วยน ะ, ะดื่มแอลโกอฮอล์นะคะพอดิฉันปฏิบัติเนี่ยนะ ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าดิชันแล้วเขาละอายใจเขาบอกงี้นะเขาวันหนึ่งนะฮะเขาเอาไปเทตรงซิงค์เลยนะแบบหักไม่ต้องไปเอเอเออะไรเลยนะไปเทลงซิงค์เลยแล้วก็ไม่เคยหันหันหลังให้เลยไม่เคยกลับไปแตะอีกเลยนะคะเนี่ยนี่อา น, นิสงส์การปฏิบัติเนี่ยถึงลูกถึงหลานถึงพ่อถึงแม่ถึงเพื่อนถึงฝูงทุกอย่างเลยแล้วที่เมืองไทยนะหลานดิชันอีกคนหนึ่งนะคะ วัดไม่ข้าพระก็ไม่ไวายนะไม่เชื่อทั้งนั้นนะแล้วมีลูกลูกชายตอนนี้นะลูกชายดิฉันเอาไปบวชเนี่ยที่มหาสารคามที่ทางอีสานเนี่ยกับลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยอาจารย์ดงสิลทุกปีเลยสามปีติดกันละนะลูกชายไปบวชเมื่อก่อนเนี่ยบ้านนี้ยังกับไฟนะร้อนยังกับไฟทะเลาะกันนี่โอ้ยด่าข้ามศีรษะยายเลยนะเดี๋ยวนี้นะถ้าพ่อแม่พี่น้องมีอะไรกันนี่นะ เด็กคนนี้เจะบอกสติสติเขาจะเตือนเตือนผู้ใหญ่นะเด็กอายุสิบสองขวบเตือนพ่อกับแม่บอกพ่อกับแม่สติอย่าลืมสตินี่ผลของการที่เด็กเราอบรมปลูกฝังเขาแต่เล็กนะฉะนั้นดิฉันก็คงจะไม่มีอะไรที่จะพูดมากมันมีเรื่องจะพูดเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะเพราะว่าก็ดา ดิฉันก็อยากจะฝากไว้นะถ้าทำนะบอกว่าทําตรงนี้แล้วก็กลับบ้านกท็ทําท่านท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ประสานเจ้าว่าท่านเมตานะดูสิท่านอ่ะเป็นผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์เห็นไหมท่านอ่อนน้อมถ่อมตัวท่านไม่มีทิฐิมานะมานั่งปฏิบัติกับเราไม่เคยเห็นเลยนะฮะดิฉันไปทุกที่เลยเนี่ยกลุ่มทีมงานของเราคุณสมพรเนี่ยไปบางที่นี่นะโอ้ยได้ก้อนอิดก็มีไม่ได้ดอกมาให้หรอกนะีบางครั้งนะ เนี่ยเราก็ไปเพราะเราเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะเราเราเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องการสิ่งไหนเราทำงาน mm hmm. เผยแพร่พระพุทธศาสนาเท่านั้นเองนะอย่างมาที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยท่านต้อนรับขับสู้อย่างดีมานั่งปฏิบัติกับเราท่านเปิดใจเนี่ยผู้มีปัญญาท่านเปิดใจกว้างอย่างนี้เห็นไหมใจกว้างอย่างแม่น้ามหาสมุทรเลยลูกพระวัดท่านก็ดูซิ พวกทีมงานของเราเมตตาทุกท่านที่มาทุกอย่างให้โอกาสคำนวยความสะดวกอะไรจะขาดถามทุกสุขดบทุกอย่างที่ดิฉันซึ้งใจมากเลยท่านมานั่งปฏิบัติไปที่ไหนนะไปอย่างชิคาโก้นี่ไปมานี่นะพระท่านนี่ไม่เข้ามาดูเลย ปล่อยเลยปล่อยพวกเราเลยเราก็ไม่เป็นไรเราก็ทําของพวกเราท่านมาก็ดีไม่มาก็ไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะถ้าเราไม่มาปฏิบัตินี้ดีท่านช้ำทําใจไม่ได้เนี่ยจุดดีมันตรงนี้แหละเนี่ยใครทํายังไงเขาทําก็ดีไม่ทําก็ไม่ดีไม่เป็นไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอยู่ได้นะเขาอะไรมาให้ถ้าเราตามใจเขาทําตามแต่อย่าฝืนใจถ้าฝืนใจอยู่เราก็ต้องปฏิบัติต่อไปเนี่ยอย่างเงี้แหละ อาและนะถ้าใครมีคําถามก็ถามนะถ้าไม่มีก็จะได้ให้ท่านอาจารย์ประสานท่านสรุปให้หลวงพ่อก็คงยังไม่มานะคะถามได้นะเนี่ยอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าการปฏิบัติกรรมฐานนี่นะ่าจะต้องเข่งจะต้องอย่างนั้นนะมันเป็นธรรมดามากเลยเข้าถึงความเป็นธรรมดาเองนะคะเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหกรรมฐานนี่นะเป็นของสูงของ อ่าเหลือวิสัยที่พวกเราชาวบ้านผู้หญิงจะทํำนะไม่เลยนะทุกคนทําได้เลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกไว้ไงอุบาสกอุบาสิกาเนะ่ยพูดอย่างพวกเราเห็นไหมจะเผยแพร่ศาสนาต่ออย่างเงี้ยอย่างดิฉันมาเนี่ยเห็นไหมสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราจะเป็นภาระของพระสงฆ์อย่างเดียวพระสงฆ์ท่านเหนื่อยนะท่านไม่พอหรอกเนี่ยญาติโยมมันทุกข์มากพระสงฆ์ท่านไม่ทุกข์แล้วอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยพระสงฆ์ท่เนี่ยเผยแพร่เนี่ยอย่างดิฉันมาก็แนะนําช่วยผ่อนภาระ ของหลวงพ่อภาละพระสงฆ์ไปตั้งเยอะแยะเนี่ยเราช่วยกันคนละไม้ละมือเราเราเราถึงเราถึงเนี่ยจุดเนี่ยเราถึงเรียกว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั่นน่ะ